Allahu ل i l a h y a و م ن ْ ل َ ي ح ن ك ا ل ف ر و م ن ك ف ر ف ل ا ي ح ز ن ك ك ف ر ه إ ل ي ن ا م ر ج ع ه م إ ل ي ن ا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملو <ت ص في ق> إن الله عليم بذا الستدور <ت ص في ق> ن الله عليم ا ا ل س ت د <ص في ق> <ت ص في ق> จะมาเตะกุมน้อย ا ถ้า ولينسألتهم من خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض. لا يقول الله. خلق السماوات والأرض. ل َ يقول الله. ق ل ا ل م د لله. ق ل الحمد لله. أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض. إن الله هو الغني الحميد. إن الله هو الغني الحميد. ولو أنما في الأرض من شجرة، ولو أنما في الأرض من شجرة، من شجرة أقلام والبحر، من ش ج ر أقلام والبحر، والبحر يمله من بعده س ب ع ة ي م ُ د ُّ ه ُ مِنْ بَعْدِهِ س َ ب ْ ع َ ة مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ َ ب ْ ح ُ ر ٍ م َ ن ف ِ د َ ت ْ كَلِمَاتُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ َ ب ْ ح ُ ر ٍ م َ ن ف ِ د َ ت ْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ الْهِتَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَا عَسْمِهِ ش َ ي ْ فِي الْأَرْضِ و ل ا ف ي ا ل س م ا ء ا و ه و ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م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 سبحان الله ح ه ق ه ض ه ز ن ه س ل ا م عليكم ر ح م ة الله ب ر ك ا ت ه ที่น้องที่ร่วมนมข Allah ้ายครับ Allah นะท Allah Ramadan เป็นเดือนที่อัลลอ์ได้ประทานกุรานลงมาลงมาจากลาฮิลมาฟูสแผ่นจารึกของอัลลอ์น่ยอยู่ที่ไหนวะลาอัลลอไม่รู้อัลลอ์ให้กุรานลงมาจากลาฮิลมาฟูสมาสู่ใบตุลอินซ์จับโฉนฟานนั่นแหละนี่ท่านนบีเล่าให้เราฟังคนในเดือนอามอีกเหมือนกัน คุณอานก็ลงจากใบตุลอิสมาหาท่านนบีมุฮัมมัดจากใบตุลอิสมาให้กับนบีที่แผ่นดินนี้โลกใบนี้ของเราก็ในเดือรรนอุมาอนอัลกุนอานลงมาเป็นทางนํากุนอ่านเป็นศีฟาอุนเป็นยารักษาโรคกุนอ่านเป็นนูรุนเป็นรัศมีกุนอ่านเป็นความรู้ มีอยู่ห้าหกรายการด้วยกันนะครับคุณอ่านในที่อัลลอ์ให้มาในหนึ่งเป็นทางนำสองเป็นความรู้สามเป็นยารักษาโรคเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดที่ว่าโรคีนไม่โรคที่ไม่ใช่โรคที่หมอโรงพยาบาลรักษานะโรคอิจฉาโรคผู้พยาบาทโรคที่หมอรักษาไม่ได้เนี่ยโรคตะกับุร เยื่โรคขี้เหนียวโรคเยื่อยิงจองหองเนี่ยหมอรักษาไม่ได้ไม่มียากินด้วยและไม่มีสถาบันสอนด้วยนะมาได้ยังไงโรคเนีย่ยโรคขี้เหนียวโรคโอ้หวดโรคอะไรนะ่ะเอาชนะกูยอมแพ้มไม่ได้อะไรเงี้ยนะโรคอย่างนี้นะนะอลัลลอฮฺจะอาไรให้อ่านคุณอ่านศึกษาอัลกรุรอานหายเรียบเดือนอามอสดนี้ ในยุกคย ก, อกอาา่อนๆไม่มีลายตุลกอเดรีไม่มียุคก่อนหน้านบีมุ hammad เช่นอะไรนบีมูซาอิสาอิบรอฮิมนูห์ยูสุฟไม่มีลายตุลกอเดรีลายตุลกอเดรีมีเฉพาะในยุค ข, ของนบีมุ hammad เท่านั้นสาเหตุที่มีก็เพราะว่าอายุอายุของพวกอุ ม, มานาบีมุ hammad เนี่ยเท่าไหร่ อายุท่า่นะประมาณเจดสิบถึง8ปดส7บหสบเจสิบไม่ใช่8ปด0 7บหสบเจดสิบอายุแค่นี้แหละอาจจะมีเกินไปบ้างเจสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งก็ น, น้อยแล้วก็คนในยุคนี้กับเหมือนกับฟ้องอัลลอนอัลลอฮฺอัลลันนี่อายุสั้นจริงๆเราจะสู้คนในยุคก่อนได้ยังไงเนื่นว่าคนยุก่อนเนี่ย อายุสี่ร้อยปีห้าร้อยปีมีเรื่องเล่าบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนั่งร้องไห้พอลูกตายถามว่าลูกอายุเท่าไหร่ที่ตายนะ่ะสามร้อยปีแม่นั่งร้องไห้ว่าลูกฉันเนี่ยอายุสามร้อยปียังไม่ได้ไปไหนมาไหนกับเขาเลยตายแล้วแล้วมีคนอีกคนหนึ่งสัจจิตบอกว่า ยังมีคนในยุคของอุมนานบีมุฮัมมัดนะอายุสั้นกว่านี้อีกถามว่าเท่าไรหกสิบปีถึงเจ็ดสิบปีหญิงคนนี้ก็เล ย, เป ล, ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากเรื่องเรื่องอไรนารองกับลูกนี่ก็มาถามว่าที่เขาอายุหกสิปีน่ะเขาสร้างบ้านกันเป่ามีเวลาสัาส้นสั้นอย่างนี้เนี่ยเขาสร้างบ้านที่อยู่กันไหมเขาบอกเขาสร้าง โอ้ก็ทำเป็นฉันนี่นะอยู่ในยุค ข, ของมูฮัมมัดนะีขอสุญยู่เดียวก็วตายเลยหกสิปีแนละ้วขอสุญยู่เดียวนั่นคนรุ่นก่อนเขามองภาพพวกเราวนะ่าน่ะอายุสั้นแบบนี้นะ่ะบ้านแล้วก็ไม่ปลูกแล้วงานอื่นฉันไม่ทําแล้วขออะไรขอสุญญ์อย่างเดียวแล้วก็ตายแล้วมาดูภาพจริงๆเป็นไงทําสุขอย่างเอาครับนั่นเรื่อง จะอธิบายว่าอะไรน ะ, ะคืนไลด์ตุลกคอเดรีมีเฉพาะในยุคนี้อาจารย์ น, นี้ไลด์ตุลกคอเดรีค่อยรุมมินอัลฟิชฮริน ah ดีกว่าพันเดือนเอาพันเดือนนี่เรามานั่งคิดตัวเลขกันนะประมาณเท่าไหร่นะแปดสิบสามปีนี่ถ้าพวกเรานี่ยนะทำอามันอิบาดากันจริงๆเลยนะอยาให้ขาดนะอย่าให้บกพร่องเลยนะครบเลย29หรือส0มสวัน ถ้าเรานมากันตลอดทั้งชีวิตในราเนี่ยถ้าพบสักสิบครั้งเนี่ยปีละครั้งละครั้งละครั้งละครั้งเนี่ยเท่าไหรครับก็แปดแปดร้อย <Blend> <800 S 1> ปีใช่ไหมถ้าพบสักห้าครั้งห้าแปสี่สิบก็สี่ร้อยปีก็เท่ากับอายุของพวกเขาสมัยนู้นเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาเนี่เป็นเป็นเรื่องเป็นความรู้ที่ประเสริมให้เราเนี่ยได้มันทามิบาดาต่ออัลลอะ รอบเมตตาคนในยุคนี้นะ่ะเยอะมากครับเวลาทำอย่าลนี้เทําไมอะ่ะในยุคสุดท้ายเกิดก็เกิดที่หลังเขาตายก็ตายที่หลังเขาแต่เวลาเกิดด้านเกิดก่อนพวกเขาอีกใครเกิดก่อนนบีมุฮัมมัดเกิดเป็นคนแรกคนที่สองลูกสาวนาบีท่านหญิงฟาติมะแล้วก็ค่อยๆเกิดกันมานี่ค่ะอ่าพวกเรานี่เกิดก่อนตายที่หลังจะเกิดก่อน อย่างนี้เป็นต้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณนลอที่เราได้ทบทวนกุรานเปรนองซูรลุกมานไม่ไม่ใช่ใช่ว่าลุกมานซูรลุกมานมาถึงอายาที่เท่าไรเนี่ยยี่สิบสามแล้ววันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนหน้านี้ขอทวนนิดหนึ่งอายาที่ยี่สิบสองว่ามายุสลิม واجه ฮูอีลาลอฮีวะฮูวะมุฮซิน ฟักดิสตัมสักะบิลอาร์วะติลูสกา وإلله عاقبة ا ل أ م เ ر คือต้องจำอานยานี้ให้จำเลยนะเพราะมันช่วยเราเนี่ยช่วยเราแปลว่าอะไรครับและวผูดด้ใดที่ยุสลิมนี่แปลว่านอบน้อมถ่อมตนหรือว่า ไรนะหันหน้าของเขานอบนอบ้อมถ่อมตนใบหน้าของเขาหมาถึงกายวาจาใจนี่นะยังอัลลอฮ์คือมอบชีวิตเรานี่นะอยู่กับอัลลอฮ์คนที่มอบชีวิตอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงวะฮูอะมุฮซินมุฮซินแล้วก็เขาก็ทำความดีที่ท่านนาบีได้ให้รูปแบบในการทำความดีไว้นี่นะถามว่าทำสองอย่างนี้นะพอหรือยังพอแล้ว ฝากดิสตัมสากบิลออรุวติลวสุสกอดังนั้นแน่นอนเขาผู้นั้นได้จับได้ยึดห่วงอันมั่นคงแล้วยึดอะไรก็ยึดสุนทรนบีสองอย่างนี่นะคนนี้นะ่ยึดของที่ถูกต้องแล้วถ้าเป็นห่วงก็เป็นห่วงที่สงแข็งแกร่งที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วยึดแล้วนะเห็นไหม แล้วก็ผลสุดท้ายเป็นยังไงหลังจากตายไปแล้ววายละลอฮิอากีบตุลอุมูดแล้วยังอัลลอฮ์คือผู้กลับที่กลับของพวกเขาทั้งหลายก็คือต้องกลับไป ห, Allah, บหาอัลลอฮ์ซุบาฮานะฮูวาลายึดอัลลอฮ์ยุ ด, Allah, ยดนบีแล้วก็ชีวิตของเขาบ้านปลาอยู่กับออลล้ออยู่กับรัสูลปลอดภัยเลยไม่มีการลงโทษใดๆตั้ ง, ตงแต่บนกูโบ ฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพอัลลอฮอักบารชีวิตของเขาปลอดภัยจากการลงโทษใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้ามีโทษมียังไงอะ่ะก็ทำความชั่วไวลืมเลื่อมเตาบ้างอะ่ะเลื่อมเตาบ้างมีไหม <c ười> นึกว่าถือบวชแ ล, ล้วอัลลอฮยกโทษหมดไม่ใช่นะเดือนนี้เดือนแห่งการเตาบัาตัวเดือนนี้ อย่าคิดว่าถือบวชแล้วนำมาตรวีแล้วนมาท่าเวลานี่ขาดไม่ขาดเลยนะเอาลบยกโทษให้หมดไม่ใช่ต้องเตบาบาถ้าทําบาปใหญ่ๆเอาไว้ต้องเตบาบาถ้าบาปเล็กๆ เ, เนี่ยเอาล็อให้หลุดหมดเลยห้ามเดาเรียนเลยนี่เป็นความรู้นะก็พยายามพัฒนาตัวเองเพอเดือนนี้เป็นเดือนในการตาบา้มีทั้งหมดประมาณสิบกว่าข้อเนี่ยเดือนอมมดรเนี่ยนะโอเคอายาที่ยี่สิบสา ว m a كَفَرَ فَلَا يَحْزُمُ كَكُفْرُهُ إلى أينما رجعهم فننبئهم بما عملو إن الله علِيم بذات الصدور الحمد لله พี่น well ้องครับอานคุราำในเดือนอมอตอเนี่ยรางวัลเยอะเนะเพราะมันมากกว่าเดือนธรรมดาเนี่ยหกสิบเท่าเนี่ยทำความดีในเดือนอามอตอเนี่ย อ่านคุรอานในเดือนมรัมดอนอันลลอฮฺเป็นต้องผลลบุญเยอะมากนะออามาดูสัน์นะมันแปลว่าผู้ใดากาฟาร์าแปลว่าปฏิเสธปฏิเสธคือไม่เอาอัาลลอฮฺไม่เอาระซูลไม่เอากุรานไม่เชื่อวันกิยามามีและไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นแล้วก็ถูกม้อปรงวัลให้นะครับแล้วก็หรือถูกลงโทษเน่ไม่เชื่อเลยอ่า ว่ามันกาฟราร์ผู้ใดที่ปฏิเสธคือปฏิเส AH, ธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลปฏิเสธสุนนะนบีปฏิเสธตายแล้วไม่ฟืน้นไม่เชื่อว่ามีการตอบแทนในโลกอาคีเร์ทักปฏิเสธแบบนี้นะคนที่ปฏิเสธแบบนี้นะคนที่เสียใจนะใครรู้เปล่านาบีมัมัตนี่อัลลอฮ์เล่าให้เล่า ใ, ให้กันกนัน่นนทีกุณอ่านและนบีเองก็พูดหลายครั้งนะ นบี ม, มุฮัมมัดเนี่ยไม่อยากเห็นใครสักคนหนึ่งคนในอุ ม, มานี้เนี่ยเดินลงนรกเพราะอาลัลลอฮ์ส่งนบี ม, มุฮัมมัดมาเป็นนบีคนสุดท้ายเนี่ยให้มาสอนเนี่ยพอนบีมาสอนแล้วนบีก็เป็นห่วงไม่อยากจะให้ใครตกนรกสักคนหนึ่งแต่ทำได้ไหมนบีก็ทำสำเร็จนะน้นในยุคท่านเน่ยมักกะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้จากรูปจะเวท เอาโจาเวตออกหมดเลยในในในบากะ360รูปเนี่ยเอาออกหมดเลยทำสำเร็จแล้วก็ไซดีนาอุมัสเนี่ยพิชิตอลอักวะแถวๆนั้นนะเป็นรัฐอิสลามหมดเล ย, เ น, ยนะสรุปแล้วไซนาอุมัสเนี่ยปกครองอิสลามแค่12ปีเนี่ยนะมีคนรับอิสลามตามหัวเมืองต่างๆหนึ่งพกับ30หัวเมือง แล้วก็สร้างมัสยิดอีกประมาณสี่พันแห่งฉะนั้นสมัยของคอริฟ้าทั้งสี่นี่นะเขาบุกเบิกเอาอิสลามไปเผยแพร่ไปเผยแพร่ไปเผยแพร่เนี่ยคนรับอิสลามเยอะมากทำอยลิละเนี่ยเทียบโลกอาหรับมีเท่าไรก็ตามแต่วันนี้นะี่ฝีมือของซอ บ, บ้านนาบีหมดเลยนะที่รับ อ, อิสลามอยู่ในวันนี้พี่นอ้อ <c> ง <oughs> ทีนี้นบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นห่วงนะ ไม่อยากจะให้เห็นใครสักคนหนึ่งเดินตกนรกอลร์นี่อย่างพวกเราเนี่ยมารับอิสลามแล้วแล้วทำเวลานะถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยนบีนรู้ไหมอัลลอฮ์รู้ดีว่าคนรับอิสลามมีกี่คนทีนี้อัลลอฮ์ก็สั่งนบีนะฟะเลยะฮฺุนกากาคุฟลูก็อย่าให้การปฏิเสธของเขากุฟลูไปว่าการปฏิเสธของพวกเขานั้น เป็นเหตุทําให้นบีเสียใจนบีเอ้ยมื่อตกไปเสียใจ เ, รเพราะอาลัลลอฮ์รู้ว่านบีจะเสียใจใช่งไหมล่ะเป็นทุกข์เราก็ร้องไห้บ่อยลุกขึ้นมาต่ฮัจยุสเนี่ยร้องแล้วร้องอีกขออาต่อัลลอฮ์อย่าให้อานาลลอฮ์เนี่ยลงโทษบ่าวของพระองค์นะครับเทีแล้วอลัลลอฮ์ก็ประทานอันกูอ่าน ล, ลงมาบอกมุฮัมมัดเอ้ยใครที่ปฏิเสธเนี่ยนะการปฏิเสธของเขาเนี่ยอย่าทําให้ท่านต้องทุกข์ใจ อย่าทําให้ท่านต้องระทมใจอย่าทําให้ท่านต้องเสียใจอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะการจะรับอิสลามไม่รับอิสลามนั้นไม่ใช่หน้าที่ของนบีนะหน้าที่มีนนบีหน้าที่มีเท่าไรบ้างสอนอย่างเดียวส่วนอัลลอฮ์จะเปิดใจใครให้รับอิสลามนะั้นเป็นหน้าที่ของใครนะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอลาต้องแยกงานให้ชัดเจนนบีมีหน้าที่สอนสอฮ า, าบานบีมีหน้าที่สอน พวกเราวันนี้มีหน้าที่ดาวาตาบลีกสอนสอนอธิบายคนฟังใช่ไหมส่วนใครจะรับหรือไม่รับอิสลามนันเป็นหน้าที่ของใครของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาแยกงานกันให้ชัดเจนสบายใจไหมอัลฮัมดุลิลอลอฮฺแอนตะลาแค่นั้นขอดัอาได้อัลลอจะขอดูอาให้เนี่ยพี่น้องเราเนี่ยรับอิสลามขอได้ไั้มได้แต่พี่น้องพี่น้องสังเกตนะศัตรูของอิสลามเนี่ยมีมีทั้งหมดกี่กลุ่ม หกลุ่มเยอะไหมล่ะหนึ่งคนกาเฟร์สองคนมุชริกสมคนตกมุรตัดสี่คนยหฮดีห้าคนยหฮดีนรรอโซโรแล้วก็มูนาฟิกห้าหกกลุ่มอะนี่บุคคลเหล่านี้เนี่ยนะขวางอิสลามหมดเลยและหัวหน้าที่ขวางอิสลามวันนี้ครจะรู้ใครยหฮดี เดิมนำหน้าถือธงเลยนะฉันจะขวางอิสลามอย่างเต็มที่ถามว่ามันขวางสําเร็จไหมไม่สําเร็จครับมันขวางไม่สําเร็จฉะนั้นคนยิ่งเพิ่มรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกประเทศทตามอิสลามกันหมดเลยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยโอ้โหทำยังไงล่ะฉะนั้นยิ่งขวางอิสลามยิ่งถูกตำหนิอิสลามยิ่งถูกขวางถูกตำหนิถูกนู่นถูกนี้คนยิ่งอัลลอ เปิดจละคนละคนละคนละคนให้หันมารับอัลอิสลามนี่คือความงอกขณะความสวยงามของอัลอิสลามอาลัลลอฮ์สั่งนบีนะและสั่งพวกเราด้วยนะใครที่ปฏิเสธไม่รับอิสลามดูถูกอิสลามเหยียดหยามอิสลามไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่ามีการตอบแทนจากอัลลอฮ์หลังตายนี่นะอย่า ให้การปฏิเสธของพวกเขานั้นทำให้ท่านต้องระทมใจเสียใจเป็นทุกข์เป็นห่วงไอห่วงนะห่วงได้แต่อย่าอย่านั่งร้องไห้ร้องห่ o ทั้งวันจะคืนไม่ต้องทำอย่าขนาด น, น, นั้นหรอกนะครับต่อมาครับอิไลนามาร์ยอโฮมตรงนี้ชัดเจนนะทุกคนจะต้องตายแล้วต้องฟื้นกลับไปหาอัลลอฮ์หมด นี่อาญานีอิไลน์นะมาร์เยอหุมาร์เย่แปว่ที่กลับของพวกโรย่าแปลว่ากลับมัร์เย่แปวที่กลับของพวกเขานั้นอีไลนะไปหาอัลลอฮ์หมดเลยไปหาเราหมดเลยฟานูน่า บ, บิอูห์แล้วอัลลอฮ์ก็จะเล่า อ, อัลลอฮ์ก็จะแจ้งความชั่วของเขาที่ทำไว้บนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ะจะแฉให้หมดเลยให้รู้หมดเลยอัลลอ์รู้นะ ว่าในโลกดุนยาไปนี้มีมุสลิมกี่คนรับอิสลามกี่คนรู้ไหมรู้ถ้าจะเปลี่ยนให้รับอิสลามเลยหมดเลยภายในห้านาทีเปลี่ยนได้ไหมได้แต่อัลลอ์ไม่เปลี่ยนอัลลอ์ก็เอา้าทันให้สมองเธอมาเอา้าอยู่กันไปศึกษากันไปหาความรู้เพิ่มเติมกันไปนะครับต่อมาครับบีมามิลูอัลลอ์จะจะอะไรนะจะเล่าเรื่อง อของพวกเขาเหล่านั้นจะบรรยายจะแจ้งในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้บนโลกดุนยาบนัน้ตั้งแต่บาอกกินบาเล็กจนกระทั่งตายเนี่ยคุณทำอะไรบ้างเอาล้อเล่าหมดเลยเอาใช่อะไรบ้างคลิปตาเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยกี่ล้านครั้งลารู้หมดสายตาคุณมองของฮารามกี่ครั้งมองของฮารานกี่ครั้งเล่าไม่ฟังหมดเลย รูปอ่าในเดือนรม ض ا ن เนี่ยมีทั้งหมดกี่วินาทีสองล้านสองพันวินาทีสอง2้านสองพวินาทีทุกวินาทีมีบรากัศมาเลยถ้ า, ถ า, ถาท่าตัวประคองตัวให้ดีนะในเดือนร a ม a d นี่อลัลฮัมดลิลลาพี่นนนะครับพบกับคืนไายวัตุลกัดอย่างแน่นอนถ้าเรา ไม่หยุดนะทําอามันอิบัดดัตสม่ําเสมอทุกคืนทุกคืนทุกคืนกลางวันก็ถือสิ่งอดแล้วก็งดเว้นสิ่งอื่นๆให้หมดนะสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหมู่วินาที Allahamu l อ l l a มุมบคุณ Allah อินนัลลอฮะอัลลอฮทรงรู้บิดาที่สุดที่อยู่ในหัวอก นะครับที่อยู่ในหัวอกอธิบายอย่างนี้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวอกของเขาที่เขาเก็บเอาไว้ในใจเนี่ยไม่ได้เล่าให้ใครฟังเมียก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้แต่อลัลลอฮ์รู้ไหมอลัลลอฮ์รู้อาลีมุนแปลว่าผู้ทรงรอบรู้บีซาติสูดสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาคําว่าหัวอกที่นี่หมายถึงสิ่งที่เขา ซ่อนเล่นอยู่ในหัวอกของผู้เขาไม่ได้เผยให้คนอื่นรู้อร์รู้ห้ามด็เลยเหรอครับอธิี h i s ใ น, ฤฤในกุรานายะอื่นนะครับอธิบายบอกว่า ม, มัมมัดเอ้ยนะอย่าระทมใจอย่าเสียใจเลยที่ผู้เขาเหล่านั้นนารีบปฏิเสธพอนบีเอากุรานมาอ่านปับมันขวางเลย ถามว่านาบีเสียใจไหมเสียใจอลัลลอฮกระส่านายาอื่นนะไม่ต้องไปเสียใจถ้าเขารีบที่จะขัดขวางคำสั่งของนบีเอาง่ายๆนี่ที่ประเทศอะไรเนี่ยในเอเชียเราเนี่ยบรูไนประกาศว่าจะอะไรนะจะลงโทษคนที่ทำชูจะขวางด้วยหินทุกประเทศออกมาค้านหมดเลยเห็นยังนี่กันนับนบีผ่านไปแล้วพันสี่ร้อปีนะถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็น กษัตริย์ก็ดีหรือเป็นนายกก็ดีนะเอาอิสลามมาใช้ข้อเดียวนะขวางทั้งโลกไหมเห็นนะขณะนี้ชะลอแล้วใช่ไหมชะลอก่อ น, นถูกขวางเยอะๆเห็นไหมนี่นร่รวมตัวกันขัดขวางคำสั่งของอัลลอฮ์บ ب ะาเห็นอย่างครับนี่เห็นอย่างนี้ทุกวันนี้เห็นชัดเลยนะอิมามเรารู้เลยโอ้คำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยไปโพที่ไหนไม่ได้ถ้าโพเงียบๆไม่มีปัญหา ถ้าประกาศเป็นทางเกินนายกประกาศโอ้โหทั้งโลกขวางหมดเลยตั้งจะขวางได้สักกี่วันกันมา น, นะทำแล้วก็ปล่อยไปทางยี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับอายาที่24นุมัตติอุหุมกาลิลาซุมมะนัตตุรุหุมอิลาอาซาบินกาลีซนุมะ ต่อหุ่มคุริลทั้มนันตรุหุ่มไปลาอาซาบิีคุริลอัลฮัมดุลิลละอายาเนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้สรุปกว่านะหนึ่งโลกดุนยาใบนี้นี่น่ะกุริลแปลว่าไรน้อยนิดโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเป็นโลกที่อายุสั้นที่สุด อืแล้วก็นี่บอกกับมุสลิมที่อ่านกุณอ่านบอกคนกาเฟตด้วยนะครับโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะเป็นโลกที่สัน้นคนที่เลือกเลือกโลกดุนยาใบนี้โลกเดียวไม่เลือกโลกอลัลลอบัซซักไม่เลือกโลกอะไรนะอาคิราอขาทุนหมดเลยนะแล้วก็อัลลอฮ์ต้องการจะเล่าว่าชีวิตของคนกาเฟตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้นี่นะ ถ้าเลือกเอาโลกดุนยาเนี่ยโลกเดียวนี่นะเขาหาความสุขได้โลกเดียวหลังการหลังจากตายไปแล้วถูกลงโทษแน่ๆฟื้นขึ้นมาถูกลงโทษแน่ๆพอ น, นอนอยู่ในกูโบ่เนี่ยลงโทษเท่าไรบาปมันไม่หมดน่ะเพราะไอชีวิตสั้นๆตรงนี้แหละถ้าให้ถูกลงโทษหลังตายถ้าไม่ถูกลงโทษ ห, หลังจากฟื้นจากกูโบ่ถูกแน่ๆครับ อาญาในเตือนนะนูมัตเตีวฮุมกอรีลาเรานูมัตเตียแปลว่าเราให้พวกเขามีความสนุกสนานเราให้พวกเขามีความสนุกสนานให้พวกใครครับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาราสูลไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่ามีวันเตียมะเราก็อาเลา AH ไปเรียกรวมกันอยู่ทุ่งมาชัดไม่เชื่อพี่น้อง ถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาเอลาลอดเล่าไม่ฟังว่าฉะนั้นคุณโยโลกดุลยาใบนี้โลกดุลยยาใบนี้สั้นนิดเดียวนะแล้วก็หาความสุขสนุกสนานกับโลกดุลยาใบนี้แค่โลกเดียวเท่านั้นความจริงในโลกอาเกโร อ, อลัลลอฮฺเตี๋ยบอกว่าอย่างดีเลยนะสวรรค์อย่างดีมากเลยอลรัมอุลิเลยอยู่สบาจริงๆที่นั่น อัลลอฮ์ไม่มีกลางวัไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันอย่างเดียวอัลลอฮ์แล้วก็อาหารการกินอัลลอฮ์สมบูรณ์อัลลอฮ์เตรียมเอาไวา้แต่คุณไม่เชื่อคุณก็เลือกเอาโลกดุจยาโลกเดียวสังเกตคนที่เลือกโลกดุจยาโลกเดียวเนี่เขาอร่อยนะอร่อยจริงๆนะไม่บวชเลยก็อร่อยนะไม่เคยสูอยู่ต่ออัลลอฮ์ก็อร่อยนะอัลลอฮ์เล่าอย่างนี้ พวกมุสลิมเนี่กลัวอะไรมุสลิมเรานี่กลัวอะไรกลัวจนใช่หรือไม่ใช่กลัวโจนจังขอบริจาคเนาะอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่โอ้นั่นลูกอยู่สองสมคนอยองไม่โอโลแล้วก็เงินก็แค่นี้เองไม่ได้อัลลอฮ์เล่า ว, ว่าฟาโร่เนี่ยฉันเลี้ยงมาสี่ปีไอ้สี่ร้อยปีฟาโร่นะฟาโรนี่เป็นสัตรูกาใครหรึเปล่า เป็นศัตรูกับนบีมูซาอะลัยฮิสลามฉันเลี้ยงเขาสี่รอปีไม่เคยเป็นวัดไม่เคยเป็นไข้ทั้งชีวิตสี่รอปีแล้วก็ฉันเลี้ยงกษัตริย์นุมรูทที่เป็นศัตรูของนบี อ, อิบราฮิมาลัยฮิสลามฉันก็เลี้ยงเขามาพวกอาร์ตสมุดไม่เอาฉันเลยนะฉันก็เลี้ยงเขามาหมดทั้งหมดที่อยู่คาวนวิน่าโลกโลกุยาไปนี้ ไม่มีใครไม่มีมดตัวไหนอดตายจะกลัวฉันเลี้ยงหมด อ, อัลลอฮ์สัตทุชนิดที่อยู่ในปา่า อ, อัลลอฮ์เลี้ยงหมดเลยแล้วมุสลิมกลัวอะไรอ่ะไม่กล้า บ, บริจาคไม่กล้าทำโน้นไม่กล้าทำนี้นี่อัลลอฮ์ให้กําลังใจเมื่อต้องไปกลัวนะอัลลอฮ์สั่งอะไรทําให้หมดนะเพราะว่าฉันเลี้ยงคนไม่เอาฉันเนี่ยเลี้ยงมาอยู่แบบแบบสบายเลยอย่างฟาโร่เลี้ยงมากี่ปีสี400่ร้อยปีเป็นวัดเคยไหมไม่เคยเป็นวัด ไม่เคยไอไม่เคยเป็นไข้ช้นงยังให้ได้แระประท่านเนี่ยลมาตัววันละห้าเวลาตัววนันอ่านกูนอ่านซึกรุลละและ้วก ล, ลัวอะไรโอ้ดีใจกำลังใจเต็มเลยนะนุมัตีอุมกอลีละเราอัลลอ์นี่นะจะให้พวกเขาเนี่ยสนุกสนานเพียงชั่วแล่นกอลีล้านแปลว่าเพียงชั่วแล่นโอ้ในภาษานี่เป็นต้องนึกให้ดีนะเขาดารู้ชมเขไม่รู้เนี่ย อา้าวเราจะให้พวกเขาเหล่านั้นสนุกสนานเพียงชั่วแล่นเป็นเสร็จแล้วซุมมานัาตอรูหุมนาปอร์เราจะต้อนอ่าแสดงว่าอาล๋อกําลังจะเล่นงานเลยสิแล้วเราจะต้อนพวกเขาต้อนตอนไหนรู้ไหมหลังจากฟืน้นคืนชีพมาจากกูโบทีนี้แหละอลเราจะต้อนแล้วใช่ไหม แต่ความจริงอะถูกต้อนยอยู่ในกุโบแล้วเราจะต้อนพวกเขานั้นสู่อะไรครับอีลาอาจะสู่การลงโทษกอลิซุนอะไรนะอันร้ายแรงสู่การลงโทษอันร้ายแรงเห็นไหมนี่ผลอะไรผลจาก หาความสนุกบนดุนยาไม่ได้นึกถึงอัลลอฮฺไม่ได้นึกถึ ง, Allah, ถงรซูลไม่ได้นึกถึงวันสิ้นโลกไม่ได้นึกว่าตายแล้วฟื้นไม่รึกว่ามีการมีการทดสอบจากอัลลอฮฺบนโลกดุญญนยาใบนี้ไม่ได้นึกเลยหาแต่ความสุขความสุขความสุขอย่างเดียวเลยอัลลอฮฺทีนี้นุมะตีอุมกอลีละคือเป็นองนะโลกดุญญนยาใบนี้มันมีชื่ออยู่สามชื่อนะ โลกดุนยาใบนี้นะไอ้ตัวแทนโลกดุนยานะ่ะมีหนึ่งเงินสองชื่อเสียงสามเกียรติยศสี่ตำแหน่งนี่ตัวแทนนะแต่ชื่อโลกดุนยาใบนี้นะ่ที่เราเรียนมาเมื่อ ส, สุรังกระบุ ท, ที่ผ่านมาเนี่ยนะมีอยูสามชื่อชื่อที่หนึ่งดุนยานี่โลกแห่งการหลอกลวงโลกแห่งมายาเาเรียกว่าบุรุษ กอรูวูรูโลกแห่งมายานี่ชื่อที่หนึ่งนะถ้าเราประคองตัวไม่ดีนะหลงหมดเลยน่ะอโลถ้าประคองตัวไม่ดีน่ะหลงหมดนะ่ะเสียงเพลงอร่อยไหมละ่ะแล้วก็ดาราที่ออกมาร้องเพลงแก้ผ้านะ่ยอโลแค่แค่ก็อยากจะมองขณะกัดตัวเตลเวลีแล้วยังขอดูหน่อยหนึงนะเพราะมันอร่อยจริงๆอะ่ๆอะใช่ไหมล่ะ โอ้เห oh, ็นไหมอ้าวเนื้นเ น, นี่ยโลกดุนยานี่โลกแห่งการโลกแห่งมายาโลกแห่งการหลอกลวงถ้าเราไม่ปกครองตัวให้ดีนะเสียหมดเลยเรื่องที่สองใบตุลังกระบุดโลกดุญญนยาใบนี้เป็นใ ย, ยอะไรใยแมงมุมนี่ชื่อของโลกดุญญนยาใบนี้ใบตุลังกระบุดเป็นยายแมงมุม อา้าวถ้าเราไม่ปกครองตัวให้ดีนะเราเนี่ยห่วงยายมงมุมใช่ไหมไอของที่ดีกว่ายายมันยังมุมต้องเยอะแยะไม่เอาไปเอายายเอายายมังมุมมาดูมาบริหารอาลัอาาลลอฮฺอัลบอสัดแล้วมันพาเราไปถึงอลัลลอฮฺที่เรามาพาไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นแต่ยายมารุมมันก็มีดีอยู่ข้อหนึ่งนะมันป้องกันนะับีุะที่ชักยายอยู่หน้าถ้ำเนี่ยนะศัตรูมาเนี่ย โอ้เห็นยายแมงมุมโอ้ชักยายเต็มเลยก็นึกนึกแบบร้าวนะคุ้มค้นไม่เข้าถ้าข้ามันต้องมันต้องพังอะนะก็เลยไม่ไม่ไม่เข้านบีนวนอยู่ในห้องอยู่ท่านำนเวลาใบตุวอังกระบูดไปไหนนะใยแมงมุมเรื่องที่สามยานาฮูบาอุลล็ปีกยุมหลังจากอัลลอ์สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืน มนุษย์และสัตว์สรรพสิ่งทั้งหมดทันฟ้าแผ่นดินนะเจ็ดแปรายการนี่นะอลอตตีราคาอะไรตรู้ไหมนี่ปีกยุ่งถ้าหากว่าโลกใบนี้มีราคาเท่ากับปีกยุ่งเมื่อไหรคนกาเฟ่ไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ําสักอึกหนึ่งบนโลกดุรยางคบนี้แต่อลอตมันจะตีราคาเลยเห่นงถ้าถามเราโอ้โหหน้าที่ดินหน้าซีคอนนี่นะไรเท่าไรโอโลตรางวัลละแสนอห่ำอยู่เรื่อง มันทำมันอยู่สบายเป็นนานกันนะท่ำนีงเลยหละจนเราว่าชื่อดุญยาใบนี้มีอยู่สามชื่อหนึ่งกรุรุลโลกแห่งการโลกแห่งการหลอกลวงถ้าประคองตัวไม่ดีนะเสียหายครับจึงได้มีการมีหอพงหอพักอยู่มีโรงเรียนมีสอนศาสนาทัานพ่อประคองลูกเราไม่ให้เสียถามว่าทานอาหารสะฮสเนี่ยถ้าไม่ปุกจะขึ้นไหมล่ะ เด็กมันก็ไม่คืนนะแล้วก็ต้องเป็นห่วงอนะพ่อก็ต้องปลูกลูกขึ้นมาอ ม, มานามาดนะพราะเราประคองตัวเราไม่ให้เสียเพราะโลกดุนยานี่ถ้าปล่อยเมื่อไรนะเสียคนทันทีเลยต้องระวังนะเพราะว่าบาก็อร่อยไนท์คับก็อร่อยเสียงเพลงก็อร่อยผู้หญิงแต่งกายเบื่อกยก่ก็อร่อยฟุตบอลก็อร่อยตะก้อก็อร่อยหมดนะและสิ่งั้ำบนเ่านี่นะพาเราลืมามารวมบนเลยใช่เลยใ ช, ใช่เอาต่อมาครับ ตัลงว่าดุนยามีชื่อเรียกอยู่กี่สามชื่อนะหนึ่งอะไรนะมาตาอุลกุรูโลกแห่งมายาโลกแห่งหลอกการหลอกลวงข้อที่สองใบตุลอังกระบูดแปลว่าใยญ่แมงมุมอันที่สามยานาฮอบาบอโดปีกยุง่งอัลลอฮฺอักบตนี่อิสลามสอนดีนะสอนให้เราใช้ปัญญาเยอะๆนะอเอาต่อมาครับถ้าหลงมก็ปิกยุ่งเมื่อไรนะเป็นชาวน หลงกับยายมาแมลงมุมมะไรนะเองเป็นชาวนารกถ้าอยู่บนดุญญาายนยาใบนี้ไม่เรียนศาสนาไม่ปะครองตัวนะถูกหลอกหมดเลยครับเมื่อถูกหลอกแล้วเป็นยังไงครับนรกเนี่ยอรรรดเล่าแล้วนะมีทั้งหมดเจ็ดุมมีอะไรบ้างเจหันนำอันที่สองุตอมะอันที่สามลาลา อ, อันที่สีซาอีร อันที่ห้าสกอตอันที่หกยาฮิมอันที่เจ็ดฮาวิยะมิูเจ็ดขุมนรกมิูเจ็ดเจ็ดขุมฮาวิยะนี่สำหรับคนมมนาฟิกแล้วก็อันที่หกยาฮิมเนี่ยสำหรับอบูยัลและคนมุชริกทั้งหมดส่วนสกอตนั้นพวกศีกฮินดูในประเทศอินเดียที่อัลลอฮ์าจาัดเอาไว้ ในโนปฮิดูไม่มีไม่มีปัญหาแล้วก็เครื่องเราซุกซิกฮินดูอลลาเตียไว้ชื่ออะไรนะชื่อสกอ์สายนี่อลลาเตียไว้สำหรับคนยยหฮดหีไหม่มไหมลาโรอยหฮดีเฮตอมาพี่น้องชาวนอสอโรยานนัมสำหรับอุมมาของนบี m u h ั m มัดเรียเระไรนะ ยาหันนำเบาสุดนางยะหันนำเนี่ยเบาขนาดไหนรู้ไหมมีหินมีฐานไฟสองก้อนยืนเหียบบบนหินสองก้อนที่เป็นไฟนี่นะสมองเดือดพััก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนั่นเบาที่สุดให้กับนบีอุมาของนบีมุฮัมมัดยุคพวเราปัจจุบันนี้พอ น, บ, อ น, นบีรน่นบีร้องไห้อ่ะร้องอยู่ลายวันอัลลอ ไปน้มาก็ร้องไห้สะอื้นสะอื้นร้องไงเพราะเป็นห่วงคําว่ายาฮีมเนี่ยเป็นของอุมมะของนบีม u h ั m กลุ่มไหนครับกลุ่มที่ทำความผิดแล้วไม่ทันเตาบ้าแล้วตายก่อนเห็น อ, อย่างครับเราชี้นำไว้แล้วนะนบีบอกแล้วนะจากนั้นทำอะไรผิดอย่าแช่มันไม่ใช่น้ำประเชงที่ั้นแล้วแช่นานๆหปีส0ปีแล้วกินรัรกษาโรคกันไม่ใช่นะความผิดนี่แช่มากไม่ได้ พบตายขึ้นมาไม่ทันต่อบาตัวเนี่ยไปไหนอ่ะนาอูซิลลาฮิมินลาลิกครับต่อมาครับอายะฮฺอิยิสหว่ลอินซาลทุมมันขลักอัลสัมวาติวัลอาบบลาหยาคูลอัลลอฮ ق ُ ل الحمد لله، بل أكثرهم ُ لا يعلمون، َُ و ل ئ ِ ن سألتهم ََُ من خلق َََ ا ل س َّ م ا ت ِ والأرض، ََ لا ي ق و ل ُ ن الله، قل الحمد َُ لله. บัลอักษรุ่มไม่ย่ำล่อมูุล ل ح م د لله في นองนี่อ้ายอ้านี้พูดเรื่องอกิดะคือสิ่งฟันอัลลอฮ์จะมีเท่าหมดเท่าไรนะเก้าสิบเก้าพระนามและนบีก็สอนนใครที่ท่องเรียกว่าอัสมาอุลฮุสนา านามอันสวยงามของอัลลอฮ์99พระนามนียนะดะฮะลัลจันนะเดี๋ยไปสวรรค์ทีนี้สิ่งแรกที่มนุษย์ที่อัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาแล้วก็นบีองค์ก่อนโคนเนี่ยมาสอนเรื่องอัลลอฮ์นี่นะทุกนบีมาสอนเรื่อง Allah, อัลลอฮ์หมดแล้อัลลอฮ์มีองค์เดียวไอ้เขาว่าองค์เดียวนะ่ะทําหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสร้างอะไรนะ ชันฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างสัตว์สร้างสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างแต่เพียงผู้เดียวเรื่องที่สองไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การกลม่ลมลงกราบนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเรื่องที่สองนะเรื่องที่สมเนี่ยสิฟัตอัลลอฮ์มีทั้งหมดเท่าไหร่เกสิพันนาอัลลอฮ์อะไรมนาะ ให้เป็นให้ตายให้รวยให้จนให้ป่วยให้หายป่วยให้คนนี้เจริญให้คนนี้ตกต่ำให้คนนี้สอบตกให้คนนี้สอบได้แล้วก็ตามแต่นี่อัลลอฮ์บริหารหมดเลยมีทั้งหมด99รายการใหญ่ๆทีนี้คนอาหรับมุชริกในนครมักกะวันนั้นนะเมื่อหนึ่งพันี่รยปีนี่อัลลอ์เล่า ให้นบีฟังแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังด้วยนะว่าอักรีดาของพวกเขาเนี่ยเขาคิดเรื่องอัลลอฮ์ว่าอย่างไงเขาคิดเรื่องเดียวอัลลอฮ์มีสามนะหนึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสองอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไปกราบสิ่งอื่นไม่ได้ไปขอจากสิ่งอื่นไม่ได้จงขอจากอัลลอฮ์องเดียวนะแล้วก็อัลลอฮ์มีสิ่งประาสิบหมายถือว่าให้รวยให้จนให้เจ็บให้ป่วยให้เป็นให้ตายให้ใครเจริญให้ใครตัวต่าอัลลอฮ์รับผิดชอบหมด แต่คนอาหรับโมชริกมองอัลลอฮ์เรื่องเดียวอีกสองเรื่องมองไม่ถึงอีกสองเรื่องมองไม่ถึงมองได้เรื่องเดียวเรื่องอะไรก็ไม่อ่านต่อไปว่าลาอินซาลตาฮุมซาลตาแปลว่าท่านถามซาลาแปลว่าถามซาลตาฮุมถามพวกเขาเหล่านั้นอินท่าหาก ถ้าหากมุฮัมมัดนี่นะถามพวกเขาเหล่านั้นว่ามันคอละกอสมาวติวลอผู้ใดมันแปลว่าผู้ใดคอละกอแปลว่าสร้างอสมาวาตแปลว่าชั้นฟ้าทั้งหลายเป็นพหุพจน์นะอสมาวาตเนี่ยวัลอัลล์แล้วก็แผ่นดินเอิร์แผ่นดินเมื่อไปถามคนมุชริกเมื่อสมัยหนึ่งันรปีเนี่ยนะ ถามว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาตอบว่าไงรู้ไหมลายยากรุ่นนลอยากูุนแปลว่าเขาจะตอบอย่างแน่นอนมีนูนตากีดด้วยนะลายยากลุ่นน่ะพวกเขาจะต้องตอบอย่างแน่นอนว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเขาพูดถูกหรือพูดผิดถูกพูดถูกครับเขาเข้าใจเรื่องเดียวว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้าง สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ถามว่าเมื่อใครที่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินนะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์อย่างยังครับรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินคนสมัยนู้นนะรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินนะแต่ส่งนบีมาทำอไรเพราะยังขาดอยู่สอเรื่องดันไปกราบสิ่งอื่นไปกราบกูโบก็มี ไปกราบรูปจวเจวต ท, ที่อยู่ในกาบาอีาอยหกส60รูปอีกไปการาบทําไมอ่ะเพราะเขายังไม่เข้าใจอ่เลยทรงนบีมาสอนนะจวเจวต ท, ทั้งหมดในนครมากาเอาออกให้หมดต้องมากราบอาลัลลอฮ์องเดียวยาไปกราบสิ่งอื่นกราบโตตะเกียรได้ไหมไม่ได้กูโบโตตะเกียห้ามกราบกูโบโต๊ะระยองห้ามกราบ หมอดวงหมอดูเนี่ยไปไม่ให้ไปหาแล้วเลิกให้หมดไว้วางใจในอัลลอฮ์องเดียวสอนเรื่องนี้นะน บ, บีสอนที่มัก้าสิบสาปีอัลลออักบัดสอนยากมากครับอาิาว่าวันนี้คนไทยเราเนี่ยนะกับคนอาหรับสมัยก่อนใครดีกว่ากันคนอาหรับรุ่นก่อนยังบอกว่าอัลลอ์สร้างชานฟาและแผ่นดินใช่หรือไม่ใช่จากปะญหา น, นี้นะแล้วมาถามพวกเราวันนี้ ถามคนกาแฟหน่อยนะใครสร้างชั้นฟ้าเปล่ยนดินตอบว่าไงเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมหนักกว่าคนอาราบรูลงกอรียงนาเห็นอย่างรับหนักกว่าเก่านะเกิดเองชั้นฟ้าเกิดเองดวงอาทิตย์มาเองเกิดขึ้นมาเองเรียกว่าไรนะธรรมชาติก็กุณอ่านที่เราผ่านมาเนี่ยธรรมชาติเป็นของใครเป็นของอันหรอฟิตรอตุลลอฟิตรอไปว่าธรรมชาติ ธรรมชาตินั่นเป็นอลัลลอฮ์เป็นเจ้าของและอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้อยู่ในธรรมชาตินี้คืออยู่ในอิสลามอลามัลลอฮ์อัลฮัมเลิลละเอาต่อมานะครับถ้าท่านนาบีมุฮัมมัดนี่นะถามพวกเขาว่ามันคอละกอสมาวติวัลอัลผู้ใดสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน หลายกูลุนอัลลอฮ์แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอ์ยอมรับว่าอัลลอ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะในอายะอื่นอธิบายอีกนะมันซาละใครที่อัลลอ์ใครที่ให้ฝนตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็นำฝนทำให้ต้นไม้ที่ตายไปแล้วเจริญงอกงามพวกอาหรับมุสลิกตอบว่าอัลลอ์หมด แต่เวลาไปกราบดันไปกราบสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ตรงนี้ตั้งหากที่ต้องทรงนบีมาสอนอย่างพวกเราวันนี้นะทำดีเราเข้าใจสุนนะกันเยอะเลยนะเข้าใจอิสลามนะเราไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พะการาบภาพกลายเป็นชิริกใครที่พาชีริกติดโลงไปนะ่ะเจอแน่เจออาซาบที่กูโบแน่ครับอัลลอ์อักบเห็นอย่างกรเพราะนั้นเรื่องอัลลอ์นี่เรื่องใหญ่ที่สุดนะ แล้วก็สุนนะนาบีเรื่องใหญ่ที่สุดนะและ้วกุรอาเนี่ยนะเรื่องใหญ่ที่สุดมีอยู่สามรายการเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาอ่าต่อมาครับเมื่อเขาตอบว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินอัลลอฮ์สั่งให้กล่าวว่าไงนะกุลมออัมาเดอร์จงกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮฺอักุ๊ เขาพูดถูกข้อเดียวกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลละดีละมันเข้าใจบ้างเข้าใจเรื่องอัลลอ์แล้วเข้าใจว่าอัลลอ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินให้นบีกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลละที่นั้นพี่น้องเวลาใครชมเราเนี่ยเองเนี่ยดูถือบวชไว้นะอัลลอฮฺอักบัดอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบแล้วยังบวชไว้ไม่ใช่ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลล อ๋ออาบัดเดินมาธรรมด์อ๋อกลางแดดเดือนอังคารเนี่ยมาสุมมาสุขได้อาซาดได้อัลฮัมดุลิลละมีใครใครชมเราต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละตัวไม่ถึงภรรยาที่ทำอาหารอร่อยๆที่บ้านทําไงแล้วบอกโอ้ยอาหารเธอวันนี้อร่อยภรรยากล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลละนี่อัลลอฮ์สอนในกับอัลกุรอานนะ เขาทำอะไรถูกอกถูกใจทำอะไรถูกต้องตามอย่าลเราสัางกล่าวว่าไง่ายอัลฮัมดุลิลลาชมลูกด้วยโอ้โลูกในแก้บวชในบวชมาหกเจ็ดวันนี้ ed, นนนนลูกยังไม่เคยขาเลยอยายุไรอายุสิบเอ็ดขวบอัลฮัมดุลิลลาให้กำามข้างให้กำลังใจลูกด้วยคุณอานสอนดีไหมสอนดีครับเอาต่อมาครับบัลอาคุซาลูฮุมลายาลามูนเต บ้านแปล ว, ว่าแต่แต่ว่าอัครสุรุมส่วนมากของพวกเขามนุษย์ส่วนมากเนี่ยนะและยาลามูยังไม่รู้อีกเยอะว่าเรื่องอัลลอ์จริงๆเนี่ยมีอยู่สามรายการนะแต่ที่รู้นะเรื่องรู้เรื่องเดียวว่าอัลลอ์เป็นผู้สร้างและอิละอิลละละยังไม่เข้าใจต้องส่ง น, นบีมาสอนแล้วก็อัลลอ์มีสิ์ฟัตให้เป็นให้ใตายให้รวยให้จนให้ใครตกต่ำ ให้เขามีหัวใจน อ, นอนนอนจนพวทั้งหมดนี่มาจากอัลลอ์หมดน่ะส่วนใหญ่ยังไม่รู้ต้องเรียนอิสลามถึงจะรู้อัลฮัมดุลิลลาฮขอบคุณอลัอณอลลอคพี่น้องอายาที่ยี่สิบหกพี่น้องในตับซีดอิบนุกะซีดอธิบายอย่างนี้พวกเขาเนี่ยคนมุชริกในอาหรับเนี่ยรู้ว่าอลัลลอ์เนี่ยสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินองเดียวนะไม่มีใครช่วยอลัลลอฮ์นะ แต่ขณะเดียวกันเขาไปเคารพสิ่งอื่นคู่กับอัลลอ์ตรงนี้ต่างหากนี่ที่เขาทำตัวผิดอย่างร้ายแรงผูเราวันนี้กันเหมือนกันไปขอลูกทีิมกักกาหกปีไม่ได้ลูกอ่ะไปหาโตตะเกียรนี่ผิดตรงนี้อ่ะผิดต้องไปหาโตตะเกียรนี่แหละพอไปหาโตตะเกียโตระยองอลัลลอ์ได้ลูกมานึกว่าโตตะเกียให้ นี่เป็นอกีิได้ที่ผิดอย่างแรงเลยนี่นะไอ้คนที่ผิดแบบนี้นะพาชี้ติดพาขาวไปนะเจออาซาบในกูบูนะะนั้นอย่าทานะครับเชื่ออัลลอฮ์ดีกว่าอนะัลลอฮ์ไม่ผัวให้ลูกไม่ให้ลูกอยู่ที่อัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงให้ลูกผู้ชายอัลลอฮ์จัดหมดเลยนะครับอายะที่2ี่สิลิลลาฮิมาฟิซมาวะทิวะลั อินน <earth> <Allah S 1> ั <illa ises anim Darwin> ่ลลาฮฺอัลลอฮฺอัลกุนียุลฮามิดอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺออฮอัลลลลอฮฺอัลลลลอฮฺอัลลอ ลิลล่าเนี่อัลลอฮฺประกาศให้มุฮัมมัดรู้ให้นบี ม, มาสอนนะว่าลิลลาเป็นของฉัน้นไม่ของ oh a, ขอัลลอฮฺเป็นของฉันนะอะไรบ้างครับมาฟิสมาว่าที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดเป็นของอัลลอฮฺใครกล้าคุยบ้างอนะ <laughs> ลิลลาฮิมาฟิสมาว่าที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดทั้งเจ็ดชั้นเนี่ยนะหมายถึง ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อัลอลออักบดดวงดาวทั้งหมดบดามลาอิกาทั้งหมดกอนมงกรแม่ทั้งอยู่ทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮหมดเลยกรับอัลลอฮฺเป็นเจ้าของนะวันอัลลอและที่อยู่ในแผ่นดินทุกตารางนิ้วเป็นของอัลลอฮหมดเลยและที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดที่มองไม่เห็นรวมไปถึงเพชพรพลอย ทองคงทองคําน้ํามงนน้ำมันที่ครอบครองกนอยู่แล้วยืนต้องการจะไปยึดยึดมุ่นยึดนี่นะน่าเบีของอร่าหมดเลยอ่ะนี่เปิดหูเปิดตาพวกเราโอ้นี่เป็นของ อ, อัรลาหมดเลยเรามีอยู่ที่อยู่ตะอะไรนะรอยตารางว่าบ้านเนียงหลักอัลฮัมดุลิลลาฮ์นอนหลับรอรอดีใจได้เมีย ม, มาคนหนึ่งลูกสามคนรถหนึ่งคันอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะอร่อ้อ่ะไอเป็นเจ้าของชั่วคราวอ่ะพอตายจบ ลิลลาฮิม่าฟิสซามาวะทิวัลอัเป็นของอัลลอ์ทั้งหมดเลยนะที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนะครับนี่เราให้เราสบายใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ยิ่งใหญ่แค่ไหนกระกาประกาศให้ชาวโลกว่าอัลลอ์เป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้งหมดนะและแผ่นดินเนี่ยเป็นของอัลลอ์ทั้งหมดนะจะได้จะทำอะไรขออนุญาตรอก่อน อต่อมาครับอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอนั้นหัวเงินนี้นนี้แปลว่าริชร่ำรวยคงว่าร่ำรวยนี่แปลว่าไม่พึ่งอ่าไม่พึ่งใครเลยไม่พึ่งมนุษย์ไม่พึ่งมลอิกาไม่พึ่งใครสักคนหนึ่งไม่พึ่งนบีด้วยไม่มีที่ปรึกษาไม่มีรัฐมนตรีไม่มีองค์มนตรีไม่มีอัลลอฮ์บริหารโลกแต่เพียงผู้เดียวอัลฮัมดุลิลละบิโ อัลลอฮ์นอนป่าไม่ไม่นอนง่วงนอนไหมอัลลอฮ์เหงาไหมไม่เหงาอัลลอ์ไม่ ม, มีเมีมยไม่มีลูกนะครับแต่คนอาหรับมุชริกบอกว่ามาลาอิกาเนี่ยเป็นลูกสาวอัลลอ์พี่น้องชาวพวกยะฮูดีนัสรอเ น, นี่ยยะฮูดีนัสรอนีบอกว่าพวกนัสรอเนี่ว่านบีอิสซาเป็นลูกอัลลอฮ์ยะฮูดีว่าอูเจสเป็นลูกอัลลอ์อัลลอฮ์เครื่องะ อ้าววะคุรุอัลลอฮฺอัฮะตอัลลอฮฺอุษมัดชั้นนี้องค์เดียวนะ่ะก่อนหนะ้าอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเลยหลังจากอัลลอฮ์ก็ไม่มีอะไรมีตจาอัลลอฮ์แล้วโลกดุนยาใบนี้เนะี่ยเมื่อก่อนมันเป็นสโมกนี่ยเป็นดุคอนอัลลอฮ์แยกชั้นฟ้าและแผ่นดินออกมาเนี่ยสร้างชั้นฟ้าสองวันแผ่นดินสองวันสร้างอาหารอีกสองวันแล้วผัวชนทําไมาสร้างฟ้าแผ่นฟ้าสองวันแผ่นดินสองวันอาหารอีกสองวัน ก็ลกลัวจน่ะกลัวอาหารจะหมดโลกเอะไม่ต้องไปห่วงอัลอลอฮฺอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับอัลลอนี้อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงร่ำรวยคําว่ารำ่ำรวยจะได้หมายถึงอัลลอฮฺไม่พึ่งอัลฮะมีผู้ทรงได้รับการสารเสริญชมเชยอัลลอฮฺอักบัดคนทั้งโลกเนี่ยเอ้าเฉพาะเสียงอาจารอย่างเดียวนี่ยนะไม่ขาดสายเลยนะ ตอนนี้เวลาเท่าไรหกโมงกว่ากว่าในเมืองไทยในโลกอาหรับประมาณตีเท่าไรตีสามตีสี่ตีสใช่ไหม 2, อ่าตีสองําลังน้ำลายกันอยู่กำลังอ่านคุณอ่านกันทีุ่ณรู้ล่อยอ ย, ย, อออยู่บางประเทศกําลังอา่านโซโบอยู่บางประเทศกำลังตอนเช้าอยู่ทุกวินาทีมีเสียงอาจารย์ขึ้นไปหาอลัลลอฮ์หมดเลย อัลฮมิดอัลลอฮ์ผู้ทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญอยู่ตลอดวินาทีครับอัลฮัมดลิลาเนี่ยต้องนึกตรงนี้นี่สอนเนี่ยเราได้ใช้ปัญญาเดินทางไปทั่วโลกจะเห็นอะไรเยอะไปหมดเลยครับอัลฮัมเดลิลาเอาต่อมาครับอายาสุดท้ายอายาที่27เจ็ด سَجَعَرَةٍ أ َ ق ْ ل َ ا م เ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ َ ب บ ح ُ ر อ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ อินนั่ลลอฮะ عز ิ้ง حكيم الحمد لله ياسوتاب ولو <ص> أنما في, <ق> ول أن في الأرض من شجرة أقلم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر มาหน้าดัตคำลิมาตุลออ innal lah a azizun hakim alhamdulillah allahu akbar อายานี้ต้องการจะบอกว่าคลิมาตุลออเนี่ยแปลว่าสิ่งที ز ز ่อัลลอฮ์บริหารดูแลจัดการบนโลกดุนยาไปเนี่ยนับแล้วนับเท่าไรก็ไม่หมด ปัญญาของมนุษย์นี่นะไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลยเอาปากาเอาต้นไม้เนี่ยที่อยู่บนเนี่ยอยู่บนโลกเนี่ทําเป็นปา ก, ากากันหมดเลยนะแล้วก็น้ำในมหาสมุทรเนี่ยทำเป็นน้ำมึก <c oughs> นี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นามอนีอบาอเล่าให้คนที่อ่านคุรานวันนี้ว่าเอา ต้นไม้ทำเป็นปากกาเอาน้าในมหาสมุทรทำเป็นน้ํหมึกแล้วก็บันทึกเขียนบรรยายเรื่องของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างน้าในมหาสมุทรหมดแล้วเพิ่มมาอีกเจ็ดเท่าก็ยังบรรยายไม่หมดโอ้วเราไปคุยเรื่องอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีลูกเอเ้ยเห็นไหม อัลลอ์มีเมียเหงาอัลลอ์อัควพูดทำไมนี่อ่านกรุรานตรงนี้ได้ข้อคิดเต็มเลยนะนดูสับวาเรวเล่าว่แปลว่าถ้าหากอันน่าแปลว่าแท้จริงมาฟิลอาร์ดีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินมินชาจารอชาจรชาจรอแปลว่าต้นไม้ชาจารอแปลว่าต้นไม้ทรี e นะต้นไม้ อักลามุนมาจากกอามแปลว่าปากกาเอาต้นไม้ที่อยู่บนโลกแผนนี้ทำเป็นปากกาเห็นยังครับพี่น้องนี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เล่านะเอาเชิญทาเลยถ้าหากท่านทั้งหลายเอาต้นไม้นี่นะเป็นทำเป็นอักลามกอลามุนกอรามานี่อักลามแปลว่าปากกาหลายๆด้าบ เอาต้นไม้ทำเป็นปากกาหลายหลายด้ามแล้วก็วัลบหรุบาฮรุแปลว่ามหาสมุทรบาฮรมหาสมุทรทะเลนั่นแหละนะเอาทะเลยามุดดูหูเพิ่มมาอีกเอาทะเลที่มีอยู่นี่นะยังไม่พอนะเพิ่มมาอีกยามุดดูหูแปลว่าเพิ่มขึ้นมาอีกมิมบาดีหลังจากหมดไปแล้วนะเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ ซบแปลว่าเจ็ดอับฮุดมหาสมุทรเจดมหาสมุทรเพิ่มมาอีกเจ็ดมหาสมุทรไอ้คำว่าเจ็ดเนได้หมายความว่าเจ็ดจริงๆนะเป็นคำอธิบายว่าจํานวนมากแบบภาษาไทยว่าไงนะร้อยอะไรนะร้108อยแปดไม่ใช่มีร้อยแปดอันนะเยอะ <laughs> นี่ไง น, นี่จานวนภาษาภาษาคุรานนะซาบะตัอับฮุดอีกเจ็ มาหาเจ็ดมาหาสมุดเพิ่มมาอีกมัจเจ็ดมาหาสมุดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมาหาสมุดแล้วก็เอาต้นไม้มาอีกมาทําเป็นปากกาเท่าไรก็ตามเถอะมานาฟีดัสไม่หมดอ่าไม่หมดกาลิมาตุลลอกาลิมาตแปลว่าพจนานของใครของอัลลอฮ์พจนานของอัลลอฮ์บรรยายเท่าไหรไม่หมด ในี่ใครพูดอัลลอฮ์เล่าเองครัำว่ากลีมาร์นี่แปลว่าอะไรครับมีอยู่สี่สี่ประเด็น <c oughs> นะครับในตับซีดอาจจะซีดอะไรบ้างครับรัฮุลมานีในตับซีดกระบีดโอ้มเจอร์อิมตุกซีตอธิบายไว้นะข้อที่หนึ่งเล่าเรื่องเนื้อธรรมของอัลลอฮ์คนที่เข้าไปอยู่ในสวรรค์อย่างเดียวเล่าก็ไม่หมด เอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำหมึกเอาปากกาเขียนนะเล่าเรื่องชีวิตในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะซึ่งเรายังไม่เห็นสักทีเลยนะนั่นละถ้าจะคุณรู้วันนี้นี่นะความรู้เล็กน้อยน่ะเขียนเรื่องสวรรค์อย่างเดียวคุณเล่าไม่หมดแล้วเล่าตรงไหนอ่ะอ้าวนอนยังไงไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันอย่างเดียวมีผลไม้ลอยมาอัลลอฮ์เดี๋ยวนึกภาพไม่ออกจริงๆเนี่ยนะ อัลลอฮฺอักบัดแล้วก็กินเหล้าได้มีน้ํานมมีน้ําพึ่งมีน้ําธรรมดาจินตนาการไม่ออกค่ะเนี่ยเขียนไปเถอะเล่าไปเถอะไม่หมดเรื่องที่สองเล่าอะไรบ้างครับสิ่งที่อัลลอฮฺกำหนดอยู่ในเล้าขึ้นมาฟูษทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างเรารู้ไหมไม่รู้สิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเราความที่เราอ่านมาที่แล้วใช่ไหมว่ามาอูตีตุมมินอัลลอิลมอิลาโปลีล ความรู้ที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยกอ้อนเล็กน้อยคนยิวมาถามนาบีเนี่ยพวกคุณอย่างเดียวเรอพวกเราด้วยนบีว่าทั้งหมดนี่แหละความรู้ที่อมาเล่าให้กับมนุษย์ให้กับคุณยิวคนมุสิมคนทั่วโลกนี่นะความรู้ที่อัลลอฮ์ให้เ น, น, นินดนะนนเดียวเท่านั้นเองทั้นอยากคิดอะไรเอง <c oughs> ให้ อ่านคูณอ่านแล้วก็เรียนสุนนะนบีแค่นี้แล้วพอแล้ว <c oughs> แค่สุนนะนบีนี่ยังเรียนยังหมดเลยนะฟิกเกตของนบีมุฮัมมัดนี่แค่ฟิกเก็ตยางเดียวนะเรายัางตายไม่รอดเลยนะนบีคิดเป็นห่วงเราห่วงใครอะ่ะถามจริงๆเราห่วงใครบ้างอะ่ะโอ้โหแค่คนที่พูดจาไม่ถูกหูเราก็ยังไม่ห่วงมาเลยนึกดึงดุลเหยื่อลอยมันตายตาย ฉะนั้นอย่าไปเทียบกับความรู้เลยที่อัลลอฮ์มีอยู่กับที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ความรู้กอริลินยิ่งเล็กน้อยมากเลยนะครับฉันอยาตะกบรบุตรอย่าเยอยวยิงให้ได้นะให้น้อมน้อมให้ทอมตนต่ออัลลอฮ์ต่อมาครับอันที่สามความรู้อยู่ที่อัลลอฮ์นั้นมหาศารมากเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยรียกว่าการิมาตุลลอฮเป็นคติวาอิมุลลอฮความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยเยอะมากกับข้อที่สี่นะ ชีนิดอะไรนะชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนสร้างมาลองนัง่งนัง่งนัง่งนัง่ ง, งบรรยาดูสิแต่ละคนนิสัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยนะอา้าวมีประชากรอยู่เจ็ดพันล้านนั่งบรรยาจบเหรอชีวิตเราในะหมดสิทธินะถ้าเล่าเรื่องเมียเราเนี่ยโอ้ยังยังไม่รู้เลยเมียนิสัยเป็นยังไงก็ที่เห็นเห็ก็บางทีก็ไม่ใช่หรอกนะ่ะเขาแซงทํากามีนะ่ะอลูกเราอีหละ่ะมีลูกสักห้าคนเนี่ย อโล่รู้บ้างเล็กเ็เลยเลนาะเรื่องลึกๆไม่มีใครรู้เลยและประชากรไทยมีประมาณเจ็ดสิบล้านคนใครรู้บ้างอยู่กันยังไงอะไรไงทั้งหมดเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นการีมาตุลลอหมายถึงความรู้ที่อยู่ในสวนสรวรรค์ที่อัลลอฮ์มอบให้คนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์บรรยายยังไงมันก็ไม่จบนะครับแล้วก็ความรู้ที่ไหนาลาฮีมาฟูดเิเกไม่จบความรู้อยู่ที่อัลลอฮ์ไม่จบ แต่และคนแต่และคนมีสิทธิ์ลักษณะแบบไหนบัญญาเท่าไหรไม่จบนะครับนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังจานนั้นอย่าไป น, นึกอะไรเยอะนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงสุนานะานบีพอแล้วประคองตัวให้ปลอดภัยอย่าให้รอดลงโทษเราพอแล้วห้ามเด็ดลีลาอย่าปล่อยตัวนะถ้าปล่อยตัวนะกุรุนอัลลอฮ์พาลงนรกหมดนะดุนยานี่พาลงนรกหมดเลยนะใบตุนอังกบูบุนน ะ, ะนะยายแมลงมุมนนะแล้วก็เปียยุงนะ่ะ ต้องนึกตรงนี้บ่อยๆโอ้นี่ปีกยุงปีกยุงปกยุงแมลงมุมแมลงมุมใหญ่ใหญ่แมงมุมให่แมลงมุมหลอกลวกอกงหลอกลวงต้องนึกอ้าทาไงไม่ถูกหลอกลวงยึดกิตารและซุนนะนบีพอล้วไปทำประสบการอย่างอื่นเครียดเปล่าต่อมาครับอินอัลลอฮฺอซิซุนฮะกิมแท้จริงอัลลอ อาซีรุนเป็นผู้ทรงอะไรนะผู้ทรงมีอำนาจอัลลอฮฺอักบัดแล้วก็ต่อมากับฮากีมุนเพราะว่าผู้ทรงมีความรู้นะทรงปรีชาญาณอัลลอฮ์มีความรู้จะให้ใครจนใครรวยใครลําบากใครสบายใครมีอำนาจสูงไม่ให้สูงตกต่าให้มีลูกกี่คนไม่กี่คนอัลลอฮฺพี่น้องให้ใครฉลาดใครโง่องัลลอฮ์รับผิดชอบหมดถ้าต้องการของดีๆก็ขอจากอัลลอฮฺเอาไปน้องครับ ขอตอนไหนดีล่ะต้งสุยูติลันบีก็สังนะเดือนอมาดอนจะขอขอขอาอาต้นไหนดีที่สุดท่านหญิง อ, อิช า, าถามท่านนาบีว่าฉันจะขอถ้าฉันรู้ว่าคืนนี้เป็นคืนลยายตุลกอดอรีเนะี่ยฉันจะขอดุอาบทไหนนบีก็สอนสอนพวกเราด้วยนะแต่ผ่านภรรยาผ่านว่าไงไยนะอัลลอฮุมอินนากาอัฟวุนตูฮิบุลอาฟวา ฟาฟูานีแปลว่าอะไรอัลลอฮุมอินนากาอัฟูบุลอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ใจอะไรนะให้อภัยตัวให้บุลาฟาอัลลอฮ์ชอบที่จะให้อภัยฟาฟูฮานีโปรดให้การภัยแก่ฉันขอเรื่องเดียวพอแล้วอ้าวคนจะขอลูกก็ขอไปลูกอัลลอฮ์จะลูกฉันไม่เอาศาสนาให้เข้มศาสนาเนื้อหน้าขอไวปอย่างนี้เป็นต้นครับ เี็น้อครับชีวิตดุนยาเนี่ยเป็นชีวิตอะไรนะหนึ่งหลอกลวงสองใหญ่แมงมุงสมสปีกยุงฝากเอาไว้นะถ้าหลงดุนยามาอะไรนะได้เจอสามอย่างนี่แหละหนึ่งโลกแห่งการหลอกลวงสองเจอปีกยุงสมเจอใหญ่แมงมุมก็ขอฝากเอาไว้แสดงว่าถ้าไม่มีคุณอ่านไม่มีสุนนานาะบี อยู่กันสามสามสามอย่างอยู่ที่บ้านเต็มเลยมาแรงมุมก็มียายมันก็มีถูกหลอกลวงเอลลาลอดูละครเนี่ยไม่ไม่เอาคุรอานเนี่ยอะไรมันกว่ากันฉะนั้นต้องให้กำลายใจลูกนะถ้าลูกลูกบวชครบหนึ่งเดือนถ้าลูกอ่านคุรอ่านหนึ่งจบเดี๋ยวมะปะจะพาไปทำบุญรออลอัมดูลิลาเอาคอ น, นี้เสนอเลย Yang lebih t e r u nak. Subhanallahumma k a wa bihamdika a sholli illa illa anta astagfirka h u wa a t u b i i l a i h w a s s a l l a h u a l a m u h a m m a d w a a l a a l i h i m a t u l l a h i w a b a r a l a t u h